ตัวอย่างเจ็ดวันบรรลุพระอราหันต์ใครรู้ไหยตั้งหลายองค์เนี่ยนะพระโมคคัลลาเจ็ดวันอย่านึกนะว่าจะบอกคนรุ่นนี้คนรุ่นนี้ใครจะไปรู้ะใช่ไหมใครจะบรรลุใครจะเป็นยังไงใครจะไปรู้ลนะ่ะเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสแต็มให้เนี่ยมีหลายองค์นะอย่างพระมหากรสปะใช้เวลาเจ็ดวันเป็นพระอราหันต์พวกเรานะ่ เปีให้ได้โสดาก็บุญแล้วละ่นะเอ็นรียมันแก่อ่อนปว่ากันท่านเหล่านั้ น, นท่านสะสมบารมีมาตั้งแสนมหากรัปนะแสนมหากหรัปคือจักรวาลเกิดแล้วดับลงไปนะตั้งแสนครั้งสะสมบารมีนานขนาดนั้นพวกเราสะสมบารมีไม่เท่าท่านเพราะฉนั้นเะจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีไม่บรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะได้โสดาก็บุญแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ใช่เหลือวิสัยนะ อดทนภาคเพียนไปเจ็ดปีไม่ได้ทํามันสิบหกปีทําไมต้องสิบหกไม่บอกสิบหกไม่ได้้ทํามันทั้งชาตินะทํามันตลอดชีวิตชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าเคย ท, ทาอีกมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านยังมีชีวิตอยู่อยู่ตั้งเก้าสิบกว่าแล้วมั้งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านผือ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 ถ้าจิตมันเข้าใจนะมันทราบซึ้งเลยฝังลึกเข้าไปนะข้ามภพข้ามชาติเลยความรู้ชนิดนี้หลวงพ่อมีเพื่อนเปน็นนักอภิธรรมเยอะบางคนก็มาบอกว่าเรียนอภิธรรมมากๆไหไวชาติหน้าจะได้รู้ธรรมากง่ายมันข้ามภพข้ามชาติถั่โม้พอสอบเสร็จก็ลืมแล้วไม่ทันจะข้ามภพข้ามชาติหรอกเลยเนี่ยจำด้วยสมองเนื้อพอแก่หน่อยก็ลืมละ